มาไปเยี่ยมไปเยี hmm. ่ยมลูกศิษย <speech> ์บ่อยคือเนี่ยลูกศิษย์สอนสอนไปท่าไหนไม่รู้เขาเกิดเอไปอยู่ที่นั่นเขาให้ที่ไหนสีดันยาไปอยู่ที่ประมาณสําเร็จก็ก็ไปเยี่ยมที่จริงที่จริงเราหยุดสอนมาตั้งนานแล้วนะไม่ได้สอนไปแล้วเขาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวัวพวกเราคิดมากคืออย่างนี้ก็ ที่จริงพอ ม, มาระยะหลังก็ห่างไปนานอภรปรากฏได้ทราบข่าวเอาไปอยู่กันซะแล้วเลยเอาไปเยี่ยมเนะอันนี้เกิดจากการแข่ ง, แ ข, งแข่งกันเรียนบาลีกับภาพพิธ ร, รมไม่ใ ช, นะอใช่อันนี้อันนี้อันนี้หมายถึงเคส็ดรายนี้เรียนอา่า แข่งกันเขาเขาไปแข่งกันเองนะมาระยะหลังเขาเกิดมีการแข่งแบบพงเอกเครียดในการตอนนั้นหลังจากเรียนทางด้านพิธามจบแล้วก็ลุยบาลีต่อ ก, ก็แข่งผลรปรากฏว่าเขาได้ตัวเองไม่ได้เลยว่านขะึ้นประโยคสูงๆแล้วเนี่ยนะขึ้นประโยคหกประโยคเจ็ดขึ้นไปแล้วพวกได้เก้าแล้วตัวเองยังไม่ได้เลยโอ้โหนี่เครียดนะ เ, นะเก้านะครับก็ออกออกอาการเลยก็ได้ข่าวอย่างนั้นนะเพราะอ้าได้ข่าวก็เลยไป มันปรากฏว่าอ้าวพอไปเหตุเนีาก็เข้ามาเออดูแล้แต่นี้ก็เลยไปได้ก็เลยไปบ่อยก็เลยไปนั่งคุยคุยเอองี้ยดีอย่างเขามีโรคส่วนตัวเขาไปซะแล้วลบน่อยไม่กลับซะแล้วนี่ก็คือว่าอันนั้นถือว่าเกินเหตุแล้วอันนี้อุทธจารอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างกับเราเรา ถ้าอย่างนั้นเขาเรียกว่าเกิดขึ้นจนคุมไม่ได้แล้วแล้วก็ติดลมบนแล้วแค่เรว่าขึ้นไปจนติดลมบนแล้วลงไม่ได้ไติดแล้วก็คือว่าการที่จิตไม่ตั้งมั่นเหมือนกระทงที่สะบัดไปมาเพราะแรงลมนั้นเป็นกิจระสะอุปทานะก็คือว่าสภาพธรรมที่มีที่จิตหวั่นไหวฟุ้งซ่านเหมือนขี้เท่าที่ฟุ้งกระจายอยู่เพราะอะไรเพราะถูกก้อนหินท่มกขาใส่ ที่เท่าที่วางวางโยนก้อนหินใหญ่ๆลงไปตูมเนี่ยมันก็ฟุ้งกระจายขึ้นมาอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เหมือนกันโทศรศัพท์ทํากิจเนก็ฟุงฟ้งฟุ้งแบบเสร็จพอคิดจับต้นชนปลายไม่ถูกอุทัยจารย์ใคยสังเกตได้บอกว่าคิดทุกเรื่องไปอย่างนั้นนะจะนอนก็ฟุ้งไปเรื่อยสติหลุดไหมไม่ต้องพูดถึงแล้วนะอย่างเงี้ยนะ <S <S พอลักษณะของสตินั้นจะต้องจมดิ่งในอารมณ์ไปดดหินที่จมใช่ไหม ไม่ลอยเฟ้งฟ้างเหมือนกับลูกน้ำเต้าอันนี้ก็เล่นลอยไปมาไม่ใช่ปัญญานะี่ต้องระวังนะีอยู่ที่อย่างเนี่ยมันจะไปกันเรื่อยประฐานะนะก็อันเดียวกันเนี่อายโยนิโสมนสิการในอารมณ์ที่จิตไม่สงบพราผลก็จิตไม่สงบนั่นแหละในมูลาิกาท่านแสดงหรือในมหาดีกาในมูลาดีกาแสดงว่าอาวุปสมตุติอสานิสินทะสัพพะภ า, าวะ มาหาเป็นต้นบอกว่าจิตไม่สงบนั้นคือความไม่ผ่องใสแห่งจิตหรือหมู่ธรรมในลมหนึ่งนะความไม่สามารถรับอารมณ์อย่างสงบดุดกระแสน้ําไม่สงบนิ่งเพราะแรงลมเป็นสภาวะลักษณะของอุทธจา ร, รนั้นก็ว่างั้นก็คือว่าความไม่ผ่องใสของจิตหมู่ธรรมที่ประกอบด้วยคือไม่สามารถรับอารมณ์อย่างสงบได้เลยก็คือว่าพอรับปุ๊บก็ฟุ้งไปรับปุ๊บก็ฟุ้งไปเนี่ย ความสงบก็ไม่เกิดขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าจิตพุ่งซ่านนะจิตพุ่งซ่านท่านใช้คําว่าวิขิตังนะวิขิตังจิตที่ซ่านออกก็แปล ว, ว่าจิตที่ซ่านออกคือจิตที่พุ่งซ่านไปในรมต่างๆเนี่ยตรงนี้อยู่ในโมโมะจิตด้วยเขาเรียกว่าจึงมีกําลังในการพุ่งมากคือในการพุ่งในลักษณะอย่างนี้ในชั้นคําสอน ว่าท่านในชั้นของอวิธรรมมัฏฐสังหะเนี่ยท่านบอกว่าไม่สามารถส่งผลในปฏิสนธิการได้วงนมีสองมตินะอบอกว่าไม่สามารถส่งผลในปฏิสนธิการได้แต่มติหนึ่งบอกว่าเพราะอะไรเพราะพระโสดาบันยังลาไม่ได้วงงินจึงไม่สามารถ<อ>พระนุนลาได้ด้วยหัตมรรคกุทธาจารเนี่ย แต่มติหนึ่งบอกว่าอุทธจารณีถ้าเกิดขึ้นในสันดานของปุตุชนส่งผลในปฏิสนธิการได้ถ้าเกิดขึ้นในสันดานของภรรยะไม่สามารถส่งผลในปฏินิการได้แต่อามาจะชอบมติหลังอามาจะชอบมติแต่บางท่านก็จะถือมติแรกแต่ถ้าใจของอามานี่นะจะชอบมติหลัง ถ้าเกิดในเศรกับบุคคลไม่ส่งผลในปฏินิการแต่ถ้าเกิดในสันดานของบุรชนสามารถส่งผลในปฏินิการได้อามาชอบมตินี้แต่ว่าในาวิ ธ, ธรรมสังหารเนี่ ย, ยใช่ใช่ก็มีสองมติไ ง, งใช่ ม, มติแรกเนี่ยบอกว่าถ้าจะเว้นตลอดถ้าเจตนาที่ในอักุสโณละจิตเว้นอุทธจ<ช>ารเจตนาเห็นไหมเขาจะเว้นอย่างนี้เลย อันนั้นเราก็เรียนกันมาอย่างนั้นแต่จะมีอีกมติหนึ่งบอกว่าถ้าเกิดขึ้นในสันดานของปุถุชนส่งผลในปฏิธิการได้ <ๆ S 1> แต่เอามาเกิดใจชอบมติหลังแค่นั้นเดี <c oughs> <c oughs> หเหตุผลเอามาไม่ใด้พูดโดยไม่มีเหตุผลถ้าเหตุผลออกมาก็คือว่าในชั้นของการเขียนอาตมกคาถาเลยดีกาเนี่ยจะมีดีกาอย่างหนึ่งท่านบอกว่าจะมีมติหนึ่งกับมติสองเขาบอกว่าทํา ม, มติสองเป็นที่ยอมรับ เขาบองั้นนะอามาก็เลยเอามาติสองไว้แค่ๆตรงนี้ถ้ามาติไหนขึ้นกาะขึ้นที่หลังอะ่ะจะมีมติที่หนึ่งแล้วก็จะมติที่สองงั้นมติสองน่าเชื่อถือกว่มติแรกเขาบอกงั้นอามาก็เลยยึดถือคติของตัวเองอย่างนี้เอามาติสองแต่ยังไม่รู้นะว่ามาติไหนขึ้นก่อนเพราะในหลักสูตรที่เอามาศึกษากันเนี่ยถ้านเอาอรกุศลเอาอุทธจารเจตนาสิบอดไม่ส่งผลเออส่งผลในปฏิสิการเว้นอุทธจารเจตนา แล้วก็มีอีกมติหนึ่งแต่มันยังไม่ได้ไปดูในชั้นของคัมภีร์จริงๆว่าะมะติสองมตินี้อันไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังแต่ใจไม่รู้เป็นยังไงชอบเอาแบบประเภทอุกฤษก็ว่าเพราะขึ้นชื่อว่าอกุศลถ้าเกิดขึ้นในสัญดานของปุตุชนมันน่ากลวัวไงก็เลยก็เล ย, ก, เลยก็เลยป้องกันกันเหนียวตัวเองไว้ก่อนว่าถ้าเกิดขึ้นกับุรชนเนี่ยอันตรายอยู่แล้วเงี้ยนะก็เลย ก็เลยกันตัวเองไว้แค่นั้นก็เลยบอกเออใจที่ชอบชอบมตินี้แต่ว่าเขอบอกไหมคะว่าจะไปเกิดในภพไห น, นอ๋อถ้าในปฏิสนธิการไม่ได้กําหนดก็เออในในวัติการไม่ได้กําหนดไว้เพราะในะวัติการก็ส่งผลได้ตลอดอยู่แล้วแต่ในปฏิสนธิการโดยส่วนใหญ่กันจะว่างหักเว้นอุทธจารเจตนาถ้าในปฏิธิการจะกล่าวอย่างนีน้แต่ถ้ามาดูตรงนี้ว่าโมโมหจิตเนี่ย หลงอย่างยิ่งหลงอย่างมากหลงอย่างเหลือเกินไอตรงนี้เราก็มานั่งหน้าคิดใช่ไหมไอตรงนี้ก็เอาไปพิจารณากันในฐานะที่เราศึกษาวิธรรมากันเลยนะไม่ไม่เสียหลายนะต่างกันแน่นอนคืออย่างนี้เอามาเปรียบเทียบอย่างนี้นะอาจาพูดก็พูดให้หมดเลยว่าในอภายคมานญาเนี่ยถ้าดูอย่างในในทัศนาติกาในทัศนาติกาเกี่ยวเรื่องการละกิเลส ใช่ไหมลำดับแห่งการคือคําสอนขุยเจ้าจะมีลำดับเทศนาใช่ไหมลำดับแห่งการเทศนาลำดับการเสด็จแล้วก็ลำดับแห่งการปฏิบัติใช่ไหมลำดับแห่งการปฏิบัติแล้วก็ลำดับแห่งการลำดับแห่งการละลำดับแห่งการละทีนี้ในในทัศนะติกาเนี่ยที่ว่าทัศเนนะปะหาตถาภะมา สภาวะธรรมทั้งหลายที่พึงประหารโดยโสดาปิมักมีอยู่ใช่ไหมตรงนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องโลภะทิฏฐิกตะสมยุตตจิตสวิจิกิชาเจตสิกหนึ่งเจดสิกที่ประกอบใช่เจดสิกที่ประกอบยี่สิ็หรือย2ิบสองไม่แน่ใจนะลืมๆซะแล้วเจ้านี่เ้นี่ที่เป็นอภายคธมนุนิยะอันโสดาปิมักพึงละได้ด้วย ใช่ไหมรับได้ด้วยสมุทรเฉทยธาปะหารทีนี้ทิฏฐิขตาวิปะยุทธจิตสี 4, ใช่ไหมเจตสิกเจตสิกที่ประกอบนะวิจิจิชาสามายุทธจิตหนึ่งเนี่ยแต่ที่จริงทิฏฐีขตาวิปะยุทธจิตสีเนี่ยนะเป็นโทสาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยนะโทสาด้วย โทสามมุรจริสองเจตสิกที่ประกอบ25้านะประมาณนั้นนะอาจจะจำข้อมูลตรงนี้ผิดหน่อยที่เป็นอปายคมานิยะที่โสดาปฏิมาคพึงละได้ด้วยตนุกระลประหารคือทำให้เบาบางลงแสดงเห็นชัดว่าคือกลุ่มอย่างนี้ในกลุ่มของเจตสิกกระทำทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะว่า โลพาทิฏฐิกตาสามยุทธิติสีวิจิกิจฉา1เจสิกที่ประกอบทั้งหมดใช่ไหมนีโสดาปฏิมราระได้โดยสมุเชธาทิฏฐิเวป4โทสาสองเจสิกที่ประกอบในนั้นก็มีอุท ธ, ธจารอยู่ด้วยอุทจารที่ในอุทจารที่ในโมที่ในทิฏฐิขตาสามยุทธิติสีเกลี้ยงไม่เหลือแล้วเกลี้ยงไม่มีเหลือแล้วเห็นไหมเขาถูกทอนกาลังลงอ่ะใน4ีดวงนั้นแล้วก็ อุทจารในวิจิตรฉาด้วยแล้วก็อุทจารที่ในวิปยุทธสี่อุทจารในโทสะที่สามารถนําไปสู่ใบภูมิประเภทเนี้ยโสดาปฏิมากร้าได้มันก็เลยเห็นว่าโอ้ก็อย่างหยาบมันถูกถอนได้ด้วยโซดาปฏิมารกรนี่มันก็เกิดขึ้นในสัญดานของพระเจ้าบุคคลก็ไม่นําปฏิสนธิการสิเอามาก็เลยมาคิดมุมนี้ไงแล้วถ้าหากว่ายังไม่เคยละอะไรเลยละ่ะ อุตจารที่ยังไม่เคยถูกประหารเลยได้มาร์กเลยล่ะน่าคิดไหมเนี่ยก็เลยมันมองมองมุมนี้ว่าเออไม่เคยละเลยอะ่ะไม่เคยประหารเลยทําไงก็เลยบอกอ๋อก็เลยมานั่งมองวิจัยไปวิจัยมาก็เลยเออเอามาติที่เข้มข้นไว้ก่อนดีกว่าตัวเราเองนะถ้าโดยหลักกว่าไงก็ว่าอย่างนี้นะท่านพ่อมีสองมติให้คิดอยู่อย่างนี้แล้วก็เลยเอขอมติที่เข้มข้นแข็งแรงไว้ก่อน มาเป็นหลักใจเองตนเองจะได้ป้องกันไม่ให่อุทธจารเนี่ยเกิดขึ้นในใจเรามากเดี๋ยวเราจะมัวเพลอเนไม่เป็นไรลอกอุทจารส่งผลในปฏิวัติการไม่สามารถส่งผลในปฏิสนธิการได้ก็จะกลายเป็นความประมาทเผลอเลอะแกตัวเองไปอย่างนั้นเอามาศึกษาชอบอุกฤษดแบบเนี้ยก็เลยดึงแห่งแห่งความอุกฤษดไว้ไว้ใช้ก็เลยบอกอ่ะถ้าใจชอบมตินี้พอมองเห็นไหมว่าเหตุผลที่กากับต่างๆเหล่านี้ก็เลยเอามามาเดินไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้อุทธจจะเกิดขึ้นในใจของเรเองถ้าอย่างนั้นกลัวเพลิอนี่ยยังไงก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะส่ง <พอ S 1> ผลในวติการนี่นใช่ไหมเดี๋ยวกลายเป็นความประมาทไปไม่ได้แล้วของอะไรที่เราจะล่อให้บาปอกุศลเกิดในใจเราเนี่ยเราควรตัดตอนดีกว่าพอคิดอย่างนี้เบสเซ็ตก็เลยเอามาติเข่งคัดไว้ <c oughs> นี่แบบอย่างเงี้ยนะเนี่ยก็เลยแล้วก็เลยเป็นอย่างนี้นี่คือสาเหตุใงการคิดไม่ใช่ว่าเออ อยู่ๆไม่ได้คิดมุมอะไรเลยแล้วก็จะเอามาตินี้อย่างนี้ไม่ใช่เพราะคิดมุมเห็นโทษของอากุศลธรรมมลามกว่าอุทธจจะเป็นธรรมที่มีโทษใช่ไหมเป็นธรรมที่มีโทษไหมแล้วมีวิบากเป็นทุกข์ด้วยใช่ไหมมีวิบากเป็นทุกข์ด้วยขึย้นชื่อว่าอุจลานิดหน่อยก็เหม็นใช่ไหมขึ้นชื่อว่าอากุศลแม้นิดหน่อยก็ต้องมีโทษเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็เอาเอาแบบอุกฤษดไว้ก่อนดีกว่าใช่ไหม แต่ว่าถ้าใครจะไปชอบตามมติอย่างนั้นก็ซึ่งก็หลักฐานก็มีอยู่ในอภิธรรมมาตสังหาอันนี้นะท่านเกาเว้นอยู่แล้วอุทธจารเจตนานะไม่ไม่ส่งผลในปฏิสิทธิการท่านจะบอกเจตนาที่นนอกุศลแลจิตเว้นอุทธจารเจตนาทุกบทไปไอ้ตรงนั้นก็ว่าไปแต่ก็ยังมีมติที่มีการการแย้งตรงนี้ไว้อยู่เนยะว่าถ้าเกิดขึ้นในสันดานเขาบุรุชนแล้วอบายนะอบายทุกขติวินิบาตนระกนะ แต่ถ้าขึ้นเกิดขึ้นในสันดาน <inter Hob art> ของพระเศขาบุคคลแล้วก็ก็ไม่เกิดอันนี้ก็แน่นอนเลยนะใครชอบมติไหนตกลงปล่อยฟงศานได้ดีไัมยอมแก้เอ้าก็ไม่ส่งวลเนี่ยปฏิสังการนี่ก็คิดฟงๆไปได้เป็นโทษนะเป็นโทษนี่ถ้าคิดอย่างนี้เสียแล้วก็ได้ได้กลัวกลัวกลัวกลัวผลกลัวผลกลัวผล ตรงนี้ท่านก็ใช้คําว่าวิวขิตตังจิตพุงสั้นะวิขิตตังจิตภุงสั้วิขิตตังจิตตังจิตที่ภุงสั้นประชานาติย่อมรู้ชัดจิตตังซึ่งมหาคตาจิตนะมหาคตาจิตที่เป็นมหาคตาเนี่ยนะมหาคตังจิตตังจิตที่เป็นมหาคตามหาคตามาจากคาว่า มะหักคาตังมหันตานี่บวกนะมหันตาศับเนี่ยบวกคตะศัพท์ก็แปล ว, ว่าจิตที่ถึงซึ่งความเป็นใหญ่นะจิตที่ถึงซึ่งความเป็นใหญ่หมายถึงอะไรหมายถึงจิตที่ถึงซึ่งความเป็นใหญ่ในฐานะสามประการอา้าวย้ำน้องเป็นใหญ่ฐานะสามประการนะมหาคาตานี่หนึ่งใหญ่ยังไง เป็นจิตที่มีความสามารถในการข่มกิเลสน่าอยากได้ไม่มาก็ต่าจีนเนี่ยนี่ข่มกิเลสได้ด้วยนะด้วยวิขำนะเนี่ยประการแรกนะสองเป็นจิตที่ให้ผ ล, น, ลนันไปบูรนะเป็นจิตที่ให้ผลดีไปบูนไปบูนไหผลรับไปบูนนะประการที่สามเป็นจิตที่มีกระแสต่อเนื่องยาวนาน มีกนมีกระแสต่อเนื่องอย่างยาวนานถามว่าฌานอจิตเนี่ยเขาสามารถจะเกิดต่อเนื่องเป็นชั่วโมงได้สองชั่วโมงได้มะเป็นวันได้ไหมเป็นสองวันก็ได้เป็นเดือนได้ไะได้ในพรหมโลกในพรหมโลกเป็นปีก็ได้เป็นกลับก็ได้อโอ้โหเ ล, เล่นอยู่ในฌานขนาดนั้นเลยเนี่ยยาวนานอย่างนั้นเนี่ยเอาไหมถ้าจะไปอยู่อย่างนั้น โอ้ยขอให้ได้เป็นพ้าระยะเอาใช่ไหมถ้าได้เป็นพระระยะไปอยู่งั้นนะสบายใช่ไหมเนี่ยสามประการอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามหันตภาวังขตันติมหาคตังกว่าบงั้นมหาคตะก็คือว่าจิตที่ถึงซึ่งความเป็นใหญ่นี่ถึงซึ่งความเป็นใหญ่แล้วส่วนอีกในหนึ่งก็แปลว่าจิตที่ดําเนินไปสู่คุณธรรมมันยิ่งใหญ่ มีความใฝ่ฝันอันยิ่งใหญ่เป็นต้นแม่จริงตรงนี้ใฝ่ฝันนี่ไม่สอบนี้ไม่ค่อยบอกจิตที่ดำเนินไปสู่คุณธรรมที่ยิ่งใหญ่เนี่ยใช่เพราะว่าฐานของมหากระตจิตเนี่ยนะเป็นฐานแก่การที่จะได้บรรลุค่อนข้างสะดวกต่อบุคคลที่มีข้อมูลคืออย่างนี้นะว่าถ้าบุคคลที่ได้สมาบัติได้ฌานมีปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานเจดียฌานเป็นต้น ถ้าไม่รู้ลัคณะที่จะไม่รู้สภาวะลักษณะไม่รู้สามัญลักษณะทั้งสองประการนี้ก็อยู่แค่มหากรสจิตไม่สามารถจะเดินเจาะเข้าถึงสภาวะลักษณะและสามัญลักษณะได้ก็ไม่สามารถทําความบริสุทธิ์หมดจดในการในานามในรูปเป็นต้นได้ในสุดจริงๆความบริสุทธิ์หมดจดก็ไม่เกิดขึ้นในกระแสของของขันธสันดาน ก็ไม่เข้าถึงทิฏฐิวิสุทธิ์ที่กังขาวิตรณวิสุทธิ์ที่มะขามะขายาณทัศนวิสุทธิเป็นต้นได้เลยในส่วนจริงก็ไม่เข้าถึงปฏิบาาัติไม่เข้าถึงญาณทัศนโลกุตระวิสุทธิไม่เข้าถึงความหมดจดอย่า ง, างวิเศษฉะนั้นถึงแม้นะถ้าได้ฌานหรือได้กําลังของสมาธิมาแล้วก็ยังต้องมาเรียนรู้สภาวะลักษณะของสภาวธรรมแต่ละอย่าง ถ้าอย่างนั้นก็จะไม่สามารถเจาะเข้าถึงในเรื่องของคณะต่างๆเป็นต้นได้เออในชั้นของคำสอนที่ท่านกล่าวเข้าไว้เนี่ยนะเออท่านกล่าวอย่างนี้ว่าการละซึ่งคณะสัญญาเนี่ยนะการละครึ่งคณะสัญญาเนี่ยท่านใช้คำว่าการเห็นบ่อยๆในการที่สิ้นไปก็คือญาณปัญญานี่ยแหละ ขันทั้งหลายมีรูปะขันมีเวทนาขันสัญญาญขันนิยานเนะี่ยที่เป็นที่เป็นไปเนะี่ยานนั้นนะ่ะเห็นซึ่งความเป็นไปของขันต่างๆเหล่านั้นก็ทำลายเออในในวิมติแสดงไว้เงี้บอกว่าสันตติสมหุหกิจารมณะวะเสณนะเอกะตะขะหนังข ะ, ะสัญญาตัดสาขะสัญญายะวงัออนะ้นการถือเอาด้วยความเป็นอันเดียวกัน การถือเอาโดยการเป็นอันเดียวกันด้วยอำ น, นาจแห่งการสืบต่อการสืบต่อเขาเรียกสันตติคณะเช่นจักขคูทวารวิถีเชื่อมลงสู่มโนโทวารวิถีพอกระแสจิตที่เกิดทางจักขคูทวารวิถีรับรูปารมณ์อย่มะในจักขคูทวารวิถีที่เป็นไปในปัญจทวารวิชนะจากักรญาณสัมปติชนะสันติรนะโวทภนะชาวนะตะทารานะเนี่ย ความเป็นไปในการสืบต่อเบเ็ดเศร็จเนี้ยเขแปลว่าผวังกับวิถีมุตตะจิตแล้วก็การขึ้นสู่วิถีจิตเนี่ยตรงเนี้ยความสืบต่อกันเบเ็ดเสร็จแล้วก็ลงผวังแล้วก็เชื่อมโยงลงสู่มโนถวารวิถีเป็นต้นไปตามลําดับสันตติคณะของนามธรรมา ท, ทั้งหลายที่เป็นไปอย่างนี้เขาเรียกกลุ่มกลุ่มก้อนของนามธรรมาสันตติคณะตรงเนี้ยไม่ไม่ขาดเพราะกระแสของยานปัญญาทั้งหลายไม่สามารถไปวิจัย เข้าถึงความจริงของของขณะเหล่านี้ได้ไม่เข้าไม่เข้าใจขณะเหล่านี้ได้ไม่เข้าใจพวกปฏิสนธิผวังไม่เข้าใจผวังผวังกัจลันนาวางคูุปเิเฉทะไม่เข้าใจปัญจทวารลวชนะจากคุญยานสัมปติชนะสันติระโวธภนาชาวนะนะตัทธารนาแล้วการลงสู่ภวังแล้วไหนส่วนจริงก็ปัญจทวารจากักุทวารวิถีมโนทวารวิถี เกิดขึ้นในการปารลรูปารลมสโสตัดทวารลวิถีโมโนโทวรารันถีเกิดขึ้นในการรับปารลบสัทธารลมคานาทวารวิถีลงสู่ ม, โ, มโนโทวารันถีรับคันธารมแล้วก็ชิวหาทวารวิถีลงสู่มนโนทวารลวิถีรับประสารมกายยะทวารลวิถีลงสู่มโนทวารั น, รรนถีรับโผธพารมแล้วก็โมโนทวารลวิถีปารลธรมมารมก็หรือปารลอารมณ์ต่างเนี่ยแล้วก็ขึ้นสู่เจ้านาแล้วก็ลงปวัง ไม่รู้ลำดับความเป็นไปของวิถีเหล่านี้ขนาดต่างๆเหล่านี้นะอันนี้ก็ียกสันตติคณะนี่ความสืบต่อความสืบต่อความเป็นไปเยอะทีนี้การกําหนดใครควรพิจารณาอย่างนี้เขาเรียกว่าอายัดนาทวานใช่ไหมอายัดนาถวานคือการเป็นไปในทางทวานของจกัจกจักขุทวานโซตะทวานเป็นต้นซึ่งไม่ใช่กรรมมาถวานถ้ากรรมมาถวานเป็นทวานเป็นที่เกิดของกรรมอันนั้นหมายถึง ใชไหมในชั้นของอัจฉริยะในชั้นของดีกาท่านกล่าวถึงทวารสองไว้กรรมมาทวารกับอายตนะทวารถ้ากรรมมทวารได้กล่าวไปแล้วเมื่อวานนี้ที่ว่ากายกรรมวจีกรรมกายทวารวจีทวารและเกาะมโนทวารกายทวารทวารเป็นที่เกิดของกายกรรมวจีทวารทวารเป็นที่เกิดของนะวจีกรรมใช่ไหมส่วนว่ามโนทวารทวารเป็นที่เกิดของมโนกรรมอันนั้นก็ได้ขยายไปแล้วเมื่อวานนี้ อันนั้นเป็นกรรมทธวาลแต่ส่วนที่จะใช้กําหนดในการเจริญเพื่อจะเข้าถึงคณะโดยเฉพาะสันติคณะน่ะท่านให้เดินตามอายตนะทวาลอายตนานคือทางจากขุทวาลลงสู่มโนทวาลโสตทวานลงสู่มโนทวานคณะทวาลลงสู่มโนทวาลและวก็ชิวหาทวาลลงสู่มโนทวานกายทวาลลงสู่มโนทวานแล้วก็ทางมโนทวาลที่ปารลบธรรมอารมณ์ เช่นดีวนี่นนี่อย่างนี้ในชั้นของคำสอนยังแก้ว่างไงตามไม่ทันแล้วไปไหนคือเขาวิธีม <right> ุตตจิตเขาให้กำหนดที่หลังอย่าเพิ่งไปใช้บ่อยเพราะวิธีมุตตจิตเนี่ยเห็นได้ยากหน่อยเห็นได้ยากหน่อยเข้าใจได้ยากหน่อยเพราะ เพต้องอาศัยความชัดเจนในในทางอาญาตนะเหล่านี้ก่อนทางจากักทางจักขุทวาร n โซตะวัต awan เป็นต้นในวิถีจิตเหล่านี้ก่อนใช่ไหมเพราะมีโอกาสเด่นชัดกว่าวิถีมุธจิตมเมื่อจนชัดเจนดีเบียเศษแล้วก็แยกใช่ไหมแยกระหว่างวิถีมุธจิต ก, กับวิถีจิตเนี่ยอย่างหยาบอย่างละเอียดเนี่ยใ<ม>นกรณีอย่างการที่จะเข้าใจในเรื่องของสันตติคนะนี่มาจากคําว่า อ๋อนี่พูดถึงอารมณ์ของเขาด้วยเพราะว่ากรณีการวิจัยนั้นวิจัยทั้งหมดเลยในชั้นก็แต่คาจิงอยู่กรรมะทวารที่จะเป็นวิปัสนาวิถีนั้นนะครับเน้นที่มโนทวารเท่านั้นนะแล้วต้องมีปัญญาเป็นตัวนํามีปัญญาเป็นตัวนํำไม่ใช่นบ ไม่ใช่ไปเอาปัญจทวารวิถีเป็นวิปัสนาวิถีไม่ใช่เพราะว่าแต่เนี่ยเป็นวิถีที่ถูกกาหนดไม่ใช่เป็นวิถีที่เป็นผู้กาหนดอาจารย์บอลต้องกาหนดอันนี้หมายถึงพูดเพิ่งพูดอันแรกเองเนี่ยเพิ่งยกบาลีมานี่เองอาจารย์บอลว่า ว่าคือพูดถึงในเรื่องของคําว่ากลุ่มตรงนี้ก็คือว่าพูดถึงในเรื่องของกลุ่มคืออย่างนี้ว่าในในมหาดีกาท่านแสดงไว้บอกว่าอายตนะ ท, ทวาราวเสนาติอายตนะสังขารตัทวาราวเสนาะกรรมทวาราวเสนาะเป็นต้นแล้วก็คณะขะหานังบอกว่าในพุทธศาสตร์นาะก็าพูดถึงเทวานสอง คือกายธวานหมายถึงว่าจีทวานและมโนธวานกายธวานวจีทวารและมโนธวานซึ่งชื่อว่ากรรมธวานทางเกิดของกรรมทางเกิดของกรรมส่วนจักรุทวารโสตธวานคณธวานชิวหาธวานกายธวารและมโนทวานชื่อว่าอายตนาทวานทางที่เกิดของอายตนะทีนี้ในการกําหนดอายตนาธวานท่านประสงค์เอากําหนดเพื่อทําลายนามคณะ นามคณะก็คือพวกสันตติคณะสมูหคณะแล้วก็กิจจะคณะกิจจะคณะซึ่งถ้าในนามในนามเนี่ยท่านจัดคณะไว้สในบาลีที่ว่ามาสักครู่เนี่ยที่บอกว่าสันตติสมูหกิจจะหรือกิจจารมนาวเสนะก็คือสันตติคณะสมูหคณะกิจจะคณะแล้วก็อารมณะคณะอารมณะคณะ จัดไว้สี่แต่ถ้ารูปถ้ารูปนั้นน่ะมีสองมติอีกแล้วแต่สองมติเอามาชอบใจชอบใจสามก็คือแมเดี๋ยวลากยาวอย่างนี้เเอางี้ว่าเอางี้ก็คือว่ามีสันตติคณะสมุหและกิจคณะนั้นรูปเอาเอาแค่นี้ก่อน ้รายละเอียดหรือไปตามกันได้ตรงนี้ก็คือว่าในกรณีการกำหนดอายต น, นะนั้นท่านประสงค์ประสงค์อาการเพื่อจะทำลายนามะคณะการทำลายนามกลุ่มก้อนของนามให้แตกจนเห็นถึงสภาวะตามความจริงแต่หมายเฉพาะโลกิยธรรมเท่านะั้นเพราะในคำพิเติมาร์ท่านใช้คำว่าโรกุตตระจิตตานิปณะนเนวะสุทธาวิปัสนาวิปัสสกัสะ ณแล้วก็สมัติญาณาาิกษาเป็นต้นปริฆหากะขจติเป็นต้นบอกว่านามธรรมที่จะเป็นอารมณ์ของการเจริญวิปัสสนาเนี่ยเอาถึงโลกียะนามเอากาสีติโลกีญาจิตตานี้เนี่ยโลกีญานามธรรมคือจิตเจตสิกเท่านั้นไม่ใช่โลกุตระจิตและเจตสิกฉะนั้นทั้งสุทธาวิปัสสกะยานิกและก็สมัาิญ า, านิกบุคคลไม่สามารถกําหนดโลกุตระจิตโลกุรตระเจตสิก ให้เป็นอารมณ์ของวิปัสนาได้ทังเกต ด, ดูไหมว่าในชั้นของเกี่ยวเรื่องของเวทนานุกข์ปัฏฐาจิตตาและธรรมาเนี่ยท่านขับเน้นโลภยจิตเท่านั้นะลยอันนั้นเป็นปัจุอ่าอันนั้นเป็นใช่ใชเป็นทุกขธรรมธรรมที่เป็นทุกข์แต่ไม่ใช่ทุกขสัจจะนั่นแหละตรงนี้ก็คือว่า ถ้าพูดถึงในเรื่องของกายยตวาณวจีทวา น, ววานละมณโฑทวานชีวกรรมมาทวานเป็นทางเกิดของกรรมถ้าทางเกิดของกรรมก็อย่างที่บอกไว้แล้วบอกว่าทางกายัตวาณ น, นั้นนะ่ะเจตนากรรมได้ยี่สิบใช่ไหมได้อกุศลกรรมสิบสอมาฮกุศลกรรมแปดถ้าวจีตวานก็คือได้เท่าไหร่ได้ย<น>ี่สิบอีกเหมือนกันแหมเรียบขึ้นสามสิบสามยังไครเนี่ย<น>อ๋อ สามสามจะเรียบขึ้นไปไหนเดี๋ยวก็บรรลุทางวัจีทวารลยยุ่งเนี่ยเองพูดไปพูดมาบรรลุบรรลุทางก็คือเนี่ยได้ยี่สิบนะได้ยี่สิบส่วนส่วนมโนทวารได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ อกุศลเจตนา12มหากุศลเจตนา8มากคตาเจตนา9ได้ปะได้ด้วยนะหมดหรือยังอะไรอีกมารคเจตนาอีกสเห็นไหมเนี่ยการบรรลุธรรมบรรลุที่มนโนทวานจริงๆเห็นบรรลุมันที่มนโนทวานจริงๆนั้นกรรมมรรทวานที่เป็นวิปัสสนาที่จะแทงตลอดสัจจะนี่ก็คือเนี่ยทางมนโนทวานนี่แหละที่ตรงที่ทางโยม เกการถามมาเมื่อกี้ที่บอกว่าทางจากรุทวานโซตตะทวานคณะวาลชิวหาทวานและกายยะทวานอันนี้เป็นทางปัญจทวานและวิถีฉะนั้นทางปัญจทวาลวิถีเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเป็นอารัมมณคณะในฐานะที่จะต้องถูกกําหนดไม่ใช่ผู้กําหนด